ทางใจเดอ้อพวกเราก <c oughs> ำลังมีผู้พูดมีผู้สอนมีผู้วังนำไปปฏิบัตินำไปศึกษาแน่นอนที่สุดการศึกษาเรื่องของชีวิตเราต้องเอาชีวิตตุ่นร่วนออกไปดูไปพือดูไปเปิดดูให้เห็นกับหูกับตาเรา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 กายเป็นสมบัติของสติสติเป็นสมบัติของกายความสุขความทุกข์ไม่เป็นสมบัติของกายเ ป, เป็นความไม่ชอบธรรมความชอบธรรมคือมีสติเข้าไปลงพื้นที่ยึดพื้นที่เหมือนกับเรายึดพื้นที่ป่าพงป่าหญ้าคา ให้เป็นพื้นที่ของป่ายางป่าตะเคียนทองแล้วมันก็เป็นผลกระทบเกิดขึ้นเป็นเห็ุเป็นแหล่งอาหารเกิดขึ้นเป็นประโยชน์แต่ป่าพงป่าหญ้าคามันเกิดขึ้นมันก็เป็นเชื้อปใบทำไมเกิดไบรู ก, กราม ไฟเกิดขึ้นก็มีการขีดหายตามไปหลายอย่างสัตว์สาหลายสิ่งเกิดขึ้นโลงง่งโป่งไหมวอดวายแบบแต่ว่ากายของเรามันมันก็ไม่เป็นเหมือนเช่นนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายทําให้เราเป็นสุขทำใหเราเป็นทุกข์ สุขทุกข์เกิดขึ้นที่กายอย่างเดียวไม่พอยังมีผลกระทบไปเสียงอื่นวัตถุอื่นเรามีสติมาเห็นกายจนยึดพื้นที่ของกายว่าไม่มีอะไรมาแสดงบนกายได้แล้วมีแต่สติก็ไปดูไปเห็นไดยคำตอบกายนี่สักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เราจงมาสร้างมาดูหันหน้ามาดูเคยมองไปทางอื่นต้องกลับมามาดูถ้าเป็นดวงตาต้องกลับมาดูอย่าออกไปข้างนอกอย่ามองไปข้างนอกกลับมาดูตาภายในมันกลับมาดูตัวเองบันดิตก็มองตนเสมอจนเห็นว่ากายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตลาได้ครับตอบ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 บางทีก็ต้องหาซื่อหาปดหาขี้หาข่มขืนหาอะไรที่ได้เวทนามาเวทนาเกิดจากกายจากกิจที่เป็นสุขเป็นทุกข์เราก็เห็นแล้วมีแต่สติเข้าไปเห็นคว่าเวทนาเป็นสมบัติของสติสติลงพื้นที่ อันเวทนาไม่ไปถึงไหนเป็นปัญญาเป็นปัญญาเราก็ยึดพื้นที่ไปเรื่อยๆอะไรที่เป็นสิ่งที่ขวางที่กั้นเราเปิดออกได้แล้วหานไปได้สิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้บรรลุคุณงามความดีไม่ให้ถึงสติปัญญาเราก็ร่วงข้ามไปได้แต่เราถึงกิจ มีสติไปลงพื้นที่ของจิตจิตไม่มีโอกาสที่จะแสดงบทบาทที่เป็นสุขเป็นทุกข์ที่เป็นความโลภความโกรธความหลงต่อเกี่ยวกับจิตนี่เป็นสติรุ่นร้ว น, วนเราไปดูไปแหลไปเห็นง่ายขั้วากายแต่บางทีเราไปมองว่าจิตนี่เป็นการฝึกยากที่จริงมันไม่ยากต่อเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิต มันง่ายกลัวกายมันง่ายกลัวกายเพียงแต่รูปหรือกลับเปลี่ยนคนระบุมมันหลงก็เปลี่ยนเป็นรู้เท่านั้นมันโกรธก็เปลี่ยนเป็นความไม่โกรธมันทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นความไม่ทุกข์อะไรที่มันเกิดึ้นกับกิดเปลี่ยนได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวเหมือนกันอันเดียวกันความรู้สึกตัวอยู่ที่กายความรู้สึกตัวอยู่ที่เวทนาความรู้สึกตัวอยู่ที่กิด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 จริงอย่างไรตัวสติเป็นตัวเห็นตัวดูถ้าอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับสติสติปานผ่านไปตรงไหนเลยพูดถึงเส ม, มอว่าสติเปรียบเหมือนไม้กวาดไม้กวาดเนี่ถ้าผ่านไปตรงไหนก็สะอาดสติเหมือนกับใบ ม, มีดรถแท็กเตอร์รถเกรดที่มันผ่านไปตรงไห น, นตรงนั้นมักเกเรียบทําให้เกิดความคล่องตัว ตะกรตะกูตะกะพอมีสติลงไปมันเรียบเรียบตามอาการที่เรามีสติถ้ามีสติมากก็เรียบมากถ้ามีสติน้อยก็เรียบน้อยเราจึงเห็นคุณค่าของการเดินสติมันผ่านกายผ่านเวทนาผ่านกีดผ่านธรรมไปได้ก็สรุปน้อยลงน้อยลงความ หลงก็น้อยหลงเพราะความรู้สึกตัวมันยึดยึดจุดอ่อนยึดจุดอ่อนที่เขาจะแสดงให้เป็นไปต่างๆเราลู่เราพบเห็นลู่เห็นพบเห็นเขาการพบเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ลู้เฉยๆอะไรที่มันเกิดจากความรู้ ม, มีสติสัมปชัญญะ อานมารดาของกุศลทั้งหลายกุศลธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นเมื่อมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นมันก็เป็นใหญ่มีอํานาจเกี่ยวข้องกับเสียงไหนมักจะใต้ความชอบเกิดสมา ธ, ธิมีสติทีไรเรามันชื่นอกชื่นใจเป็นงานเป็นการของชีวิต งานของชีวิตคือมีสติถ้าหลงสติหรือสติไม่มีแสดงว่าชีวิตไม่มีเราใดที่เราได้เดินจงกรมเดยนั่งลง้มรู้สึกตัวยกมือเคลื่อนไหวตามปั๊พระต่างๆที่เราปลูกลงไปเพิ่มความรู้สึกเข้าไปชีวิตมันก็สุดสุดปราดถนาที่สุดของชีวิต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 ชีวิตที่ไม่เปิดไม่เพื่อนกับสุขกับทุกข์กับปลุกโกรธหลงความหวนกับเสื้อผ้าที่ไม่เปิดไม่เพื่อนกับสิ่งปฏิกูลโสโครกผานิรภัยสอยก็สะอาดสวมใส่สะอาดชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิ ต, ท, วตที่ไม่เปิดไม่เพื่อนกับสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเราก็ปรากฏการกับชีวิตเราเราเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับ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 ปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรใครก็ตามถ้าตรงอยู่หร้ถือว่าเป็นสงได้เป็นพระสงเป็นสุปฏิปันโนบุคคลปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัตอิออกจากทุกปฏิบัติตตสมควรมันก็มีไม่มากชีวิตเรานะจิตใจบริสุทธิ์มีน้านําจิตน้ําใจโดยเพราะจิตใจนี่ อ, อาว่าน้ามใจนี่มันไม่เหือดไม่แห้งเป็นไม่เหมือนเงินทองไม่เหมือนปริญญาไม่เหมือนเทคโนโลยีเทคโนโลยีบางครั้งก็ใช่ไม่ได้เงินทองก็ช่วยไม่ได้ปริญญาก็ช่วยไม่ได้มีแต่น้าําใจเท่านั้นที่จะแสงช่วยเหลือกันเช่น ขืนสึนามิที่ทำให้ชีวิตของคนเท่าหลายร่มหายตายไปผู้ที่มีน้มใจก็ยังทำงานทำการอยู่อยู่กับศพหอมศพกู้ศพเก็บศพไม่เกี่ยวกับเงินกับทองมาจากทั่วโลกที่มาช่วยกันน้ำใจนี่อาจจะไม่ใช่ลัทธินิกร ชาติศาสนาลัทธิอะไรก็ตามไม่เกี่ยวมีแต่นามใจที่แสดงออกด้วยความช่วยเหลือเมตตากรุณาเมตตาไม่ใช่เมตตาเฉยเฉยเข้าไปดูแลช่วยเหลือไม่ใช่เป็นคำพูดเสนอตัวเองนามใจนี่ค้ายๆก็ว่าเป็นโพธิสัตว์มีอะไรเกิดขึ้นที่มีปัญหามากจะเสนอตัวเองเข้าไปช่วยเข้าไป แก้ไขไม่ใช่เรียกร้องแต่เรียกร้องไม่ใช่น้ำใจน้ำใจมันแสดงออกมาเสนอตัวเราเพื่อเข้าไปเจียวข้องทำสิ่งที่หนักให้เป็นเบาทำสิ่งที่ยากให้เป็นง่ายทำสิ่งที่ผิดให้เป็นถูกเกิดจากน้ำใจผู้ฝึกฝนตนเองดีมีน้ำใจมีสติมีปัญญามันก็ไม่ใช่ปัญญาอยู่กับ เราคนเดียวมันไปเป็นประโยชน์ต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่น น, นี่การปฏิบัติธรรมมันต้องมีเกณฑ์ที่วัดล่วงพ้นเพราวะว่าเก่าถ้าเกี่ยวกับกายกกับใจเกี่ยวกับชีวิตมันจบมันไม่มีปัญหาอะไรเคยสุขเคยทุกข์ความสุขความหลงความทุกข์ความโกรธความโามลภไปต่ อ, อความโลภความหลงไปต่อความหลง ความโกรธไปต่อความโกรธความสุขก็ต่อความสุขความทุกข์ก็ต่อความทุทกข์จากการปรุงปรุงแต่งแต่งทุกข์จากความไม่รู้ก็ไปต่อพอ ม, มาดูเข้ายิงมันไม่มีทั้งตัวโกรธมก็ไปเบยตัวหลงมันก็ไปเบยตัวทุกข์มันก็ไม่มีมันไม่มีจริงๆมีแต่สติเท่านั้นที่เป็นความจริงชีวิตเราถ้าเป็นการเห็นก็เห็นถูกต้อง เห็นเป็นกายเห็นเป็นรูปเห็นจิตเห็นเป็นนามเป็นรูปเป็นนามมันแตกฉานมันเข้าแถวมาให้ดูมันสารภาพเหมวอนพิาพากษาตุราการจับจำเลยมาบ้องให้เกิดความเป็นธรรมขบวนการแห่งความเป็นธรรมจำเลยเมื่อ ยนต่อเหตุปัจจัยก็สารภาพสารภาพหมดเปลือกก็ไป ร, รมก็เกิดขึ้นความหลงเขาสารภาพเป็นความหลงมีประโยชน์อะไรเมื่อความหลงเขาสารภาพเป็นความหลงหลอกลวงไม่ได้อีกมันก็เป็นธรรมขึนมาความโกรธมันก็เป็นความโกรธความโกรธไม่เป็นธรรมอะไรสารภาพว่าไม่มีประโยชน์เห็น เขาไม่แสดงเขาเขาก็สารภาพก็เลยกลายเป็นธรรมขึ้นมาหรือความทุกข์ความทุกข์แท้ๆถ้าให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความสุขนอนอยู่บนวิมานี่ไหนปราศาสตรสามฤดูไม่ใช่มาเห็นความทุกข์ที่เกิดจากรูปจากนามเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมที่เขาแสดงเขาก็แสด ง, เ ข, สดงเขาก็แสดงอยู่ เมื่อเขาแสดงแเราก็เห็นเขาเมื่อบทบาทที่เขาแสดงมันเท็จจริงอย่างไรเขาก็บอกความจริงก็บอกความไม่จริงก็บอกในการศึกษามีสติว่าสติเนี่ยมันไม่ใช่สติธรรมดาแต่ว่าเราก็เริ่มสร้างเขาไปสติธรรมดายกมือเคลื่อนไหวไปมารู้สึกตัวสร้างสติอางที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 อะไรที่มีปัญหาหาคำตอบจากความคิดไม่ใช่พบเห็นถ้าได้คำตอบจากความคิดไม่ใช่ปัญญาพุทธเป็นปัญญาแบบโลกโลกปัญญาของพุทธไม่ใช่เหตุผลไปพบเห็นเช่นความหลงเห็นความหลงความหลงกลายเป็นปัญญาลู้แล้วนะเห็นความหลงลู้แล้วนะ เห็นความโกรธรู้แล้วปัญญาเห็นความทุกข์ก็รู้แล้วคือปัญญาเห็นความวิตกกังวลเศ้าหมองรู้แล้วเห็นตัวเองผิดรู้แล้วเห็นคนอื่นถูกเห็นคนอื่นผิดก็รู้แล้วแพาะว่ารู้แล้วมันจบไปแล้วไม่ต่อนั่นแหละปัญญามันสุดมันจบแต่อะไรที่มันยังมีปัญหาเป็นการบ้านไม่ใช่ปัญญาฮะ อันนี้คือคือเกณฑ์ที่วัดของนักปฏิบัติเกณฑ์ที่วัดของเราเราพูดถึงกิจใจก็เย็นก็ปกติเหมือนพูดในฟังวันก่อนๆปกติน่ะมันก็มีแต่ที่จะช่วยกันเลยกันการงานที่จะช่องทางต่อทุกสรรพสิ่งยังมีนะใช่ไปเล่ยนี้ที่ไหนไปช่วยกันไป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 สติมาช่วยสินมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญยามาช่วยมาช่วยช่วยยกช่วยขนส่งให้พ้นจากปัญหาจารนาพุทธศาสตร์สารหรือตัวปัญญาเป็นการขนส่งเป็นการขนส่งปัญหาต่างๆให้พ้นไป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 ผู้คนได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจา้าพอฟังเทศพระพุทธเจา้าเขาก็ว่าวเองนโมตัสสะเขาก็ว่าวเองพุทธังสนังอาฉามิเขาก็ว่าวเองออกปาจากความสํานึกข้าพเจา้าถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะข้าพเจา้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะข้าพเจ้าจึงพ้จจพนจากทุกข์ทั้งปวง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 ต้องขนส่งออกไปมันเป็นเกนมันเป็นเกนที่วัดมันมาศสถานมีสมรรถภาพมันใช่งานใช่การได้ในกายก็ทำประโยชน์เว้นโทษเว้นภัยได้สิ่งไหนที่เป็นพิษเป็นไปแก่กายสำรวมทุกชีวิตหน่อยไปทำไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ให้เป็นปัญหา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 พระพุทธเจ้าก็สอนให้คิดว่าพุทธานุสติคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้ามีเมตตาที่คุณต้องมีในเราด้วยเมตตาที่คุณกะรูณาที่คุณก็ต้องมีในเราบริสุทธิ์ที่คุณก็ต้องมีในเราปัญญาที่คุณก็ต้องมีในเราเรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาต้องมีในชีวิตเรา แสดงออกทางกายก็เป็นศีลแสดงออกทางวาจาก็เป็นศีลแสดงออกทางกิจใจก็เป็นศีลไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นพระสง์ก็คือทําหน้าที่อันถูกต้องช่วยกันปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อการงานต่อหน้าที่ตรงต่อบุคคลตรงต่อเวลาตรงต่อศีลต่อธรรมไม่ผิดไม่เพี้ยน ปฏิบัติออกจากทุกเป็นศินละปะคำว่าทุกได้เป็นศินละปะมีเท่าไหร่ข้ามล่วงได้เท่านั้นไม่เป็นการบ้านไม่นอนเนืองคำว่าทุกแตไม่นอนเนืองเป็นสิ่งที่ชำนิชำนานคำว่าทุกเนี่ยไม่ไม่มีการบ้านมีเพื่อไม่มีทุกอะไรที่มันมีเกิดขึ้นเพื่อไม่ทุก ไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์เรียกว่าปฏิบัติออกจากทุกขนะ์ปฏิบัติสมองเสมอ ส, สมควรปกติอยู่ได้ภาวะกว่าปกติสรุปแล้วชีวิตทั้งกายทั้งใจได้ที่ได้ทางไม่ไปไหนถ้าจะดูแบบดูแบบสุดยอดคือไม่มีไม่เปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนอะไรกับอะไร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 ใช่ได้ความไม่โกรธใช่ได้ก่าความโกรธความไม่ทุกข์ใช่ได้ก่าความทุกข์ความไม่หลงใช่ได้ก่าความหลงเราใช้ดูชีวิตต้องใช้ได้เราเพีงไปใช้อันที่มันใช่ไม่ได้เช่นความโกรธยังให้ความโกรธร้นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนบงทั้งที่มันเป็นพิษเป็นภยัยกอเรามามีสติแล้ว มันก็ต่างเก่าเหมือนเราฝึกใหม่ๆไม่มีสติมันก็เหมือนกันนั่นแหละความหลงความรู้ก็เหมือนเหมือนกันครึ่งรู้ครึ่งห ล, ลงเพราะมันหลงก็ไม่ค่อยรู้หรอกเพราอยู่กับความหลงนั่นแหละตอนมันคิดก็ไม่รู้หรอกว่าตัวยังคิดยังอยู่กับความคิดถ้าเราฝึกไปฝึกไปฝึกไปพอเราลู่สึกตัวหนึ่งวันสองวัน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 เพราะอะไรเพราะเราจะทาเอาวาดเขียนลงไปให้มันดีมันงามอยากให้อะไรมันดีมันงามเขียนลงไปแต่งลงไปวาดลงไปกายก็วาดลงไปให้มันงามงามด้วยสิทธิ์โดยธรรมให้มันใช้ได้วาดสนามันมันแข่งขันกันได้อย่าไปปล่อยทิ่งหรือว่ากำเวน เพว่ากรรมเนี่ก็แต่งได้เราจะทําแต่กรรมดีเราจะละความชั่วไม่ใช่กรรมจะลิขิตชีวิตเราไปบางทีเราไปมองถึงกรรมอะไรตระชาติตางก่อนเป็นเวรเป็นกรรมเป็นกรรมของผมผมเกิดหลายชาติชาติก่อนผมทำอย่างนั้นนี่ยจึงเป็นเวรเป็นกรรมของผมกรรมเนี่ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกรรมชั่วเป็นกรรมดี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 กรรมคือสูกกิเลสคือติดวิบากกรรมคือสูบกิเลสคืออยากวิบากคือติดเพราะสบพึงติดเพราะติดยังอยากเพราะอยากยังสูพเพราะสบจึงติดเพราะติดยังอยากเพราะอยากยังสูบเพราะติดสุพึงติดเพราะติดยังอยากไหนมันเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากเราจะตัดตรงไหน ไปถามคนที่สุบริเขาเขาบอกว่าทาไมจึงสุบเลยเพราะมันอยากแต่ทไมมันจึงอยากเพราะมันติดทําไมมันจึงติดเพราะมันสูบถามไปถามไปโอ้เพราะไม่สูบจึงไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สูบเพราะไม่สูบริพราะไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากมันวนกับมาอันหนึ่งมันวนไปข้างซ้ายอันหนึ่งมันวนไปข้างขวาการเวียนไปข้างขวาในเรียกว่าพุทธ การเวียนไปข้างซ้ายตัวโลกโลกทั้งหลายยินดียินร้ายเป็นสุขเป็นทุกข์ติดไปถ้าหลงก็ติดความหลงถ้าโกรธก็ติดความโกรธกลายเป็นเจริตนิสัยนี่ทําไมจะละไม่ได้กรรมทําไมจะไม่ชนะกรรมอืมตัวอย่างเข่นสูบุหรี่เพราะสูบเลยตุกกรรมตัวกรรมคือสูบเรามาเห็นกรรมเห็นส ม, มุทัยเห็นสังขารตัวรู้ตัวรู้ก็ตัวหลง มีควาก่อนที่มันจะโกรธมันต้องหลงก่อที่มันจะทุกข์มันต้องหลงทําไมมันจึงโกรธทาไมมันจึงหลงทําไมมันจึงทุกข์มันก็เป็นกรรมู่ตรองนั้นเราไมีสติเราไมีสติถ้าไม่ถ้ามีสติมันก็ไม่หลงแต่เวลาใดที่มันหลงเพราะมีสติความหลงก็หายไปอย่างนี้ทําไมจะแกตัดกรรมไม่ได้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 การกระทำเนี่ยเป็นหลักเป็นเจนเราจึงมีวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่สุดยอดของการศึกษาชีวิตเราแต่วิชาอื่นๆก็โู่มากพระพุทธเจ้าของเรานี่ยสิ บ, ส, บสิบเกตศาสตร์ตั้งแต่จบขี่ม้ยิงธนูปันดาบนอกจากนั้นก็อะไรทุกอย่างตามแบบของการศึกษาแบบ ผู้ที่เป็นกษัตริย์ครองบ้านครองเมืองต้องจบสิบเกดศาสตร์พอมาเรียนนี่เลยศาสตร์ตัวไหนศาสตร์ของชีวิตเนี่ยถ้าจบตรงนี้อันเด่นก็ง่ายเลยปะเนี่ยยิ่งพวกเราเป็นคุณครูอาจารย์คุณหมอพยาบาลโอ้ยยิ่งดีใหญ่ เอาศาสตร์เ่านันไปใช้สำเร็จประโยชน์มีเครื่องมือมีสติมีปัญญาไปช่วยโลกมันเป็นงานบุญนะหลวงพ่อก็ไม่มีความรู้แบบนั้นมีความรู้แต่ว่าทำการเกษตรทำไร่ทำนาปลูกป่าวันนี้ก็จะมีาบางจากมาปลูกป่าหลวงพ่อก็วางไว้แล้ว ป่าที่ปลูกวันนี้ปลูกตรงไหนพื้นที่แบบไหนต้นไม้อะไรวางไปแล้วรู้ดีต้นไม้ประเภทนี้มันอยู่ในพื้นที่แบบนี้ต้นไม้แบบนี้มันอยู่ในพื้นที่แบบนี้มาไกลอาจารย์ตุ้มของพ่อมีต้นกลุ่มต้นกามต้นกลุ่มต้นกามมันชอบน้ํำนะลุงพ่ออ่าไม่ใช่รู้ต้องไปปลูกในลิมน้า ไปปลูกเรียบรียบน้ำต้นกิกต้นกระโดนมันชอบน้ากิกนากิกน้าก็ชอบน้ำต้องปลูกลใกล้ใกล้น้ำถ้ากิกโคกกระโดนมันก็บื่อบนโคกกระรู้จากน้ำเลยวางเอาไว้ไว้แน่จะปลูกต้นมะฮกกานีต้นไม้ที่สวยที่สุดในการปลูกต้นไ้ามาห้าหกปีสิบปียี่สิบปีเป็นต้นไม้ที่ ดีที่สุดสำหรับวันนี้จะให้พวกผู้มีศรัทธากลุ่มบางจากมาปลูกอันนี้รู้จักการจัดสรรต้นไม้ดูแลต้นไม้อยังไงอะไรจับต้นไม้ด้วยมือของเราขุดลุมเอาต้นไม้ยองลนย่อนลมย่อนล ง, นลงบนหลุมได้เอามือของเราคุ้ยเขีย่ยดินลุ่นลุน ซอยๆลงก่อนแล้วก็ค่อยสอดซ้อยกดค่อยปลูกแล้ว ก, กบดีๆปักหลักมัดเชือกติดหลักต้นไม้ไม่ให้มันเอ็นมาเดียงโอ้ยสุดฝีมือมั่นใจก่อนที่จะปลูกถ้าฝนไม่ตกตรงนี้ก็ลดน้ําให้เบ้ามันเปียกให้เบ้ามันเปียกสน่อยแล้วก็ไปปลูกลงไปการจับต้นไม้ลงหลุมเหมือนกับจับลูกอ่อนลงใส่อู่ใส่เปลคยค่อยๆย้อนลงไปไม่ใช่ทิ้ง ถ้าเที่ยงมันก็ช่ำเหล็กกงไม่นอนแต่ค่อยย่อนลงไปนิ่มๆ ม, มันก็เป็นบรรยากาศของเขาอันนี้รู้ไปแบบนี้ับรู้ชีวิตนี่รู้จริงๆรู้ไม่หลอกลวงใครลอะอถ้าใครหลงก็บอกว่าไม่ยิงดอกความหลงความไม่หลงจริงกลัวนี่บอกตรงๆอย่นีน้ถ้าใครโกรธไม่เยิงความโกรธความไม่โกรธจริงกว่า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 ไม่ต้องไปปราบนรรลุความโกรธความโลภความหลงมีสติต่างหากเราจเจริญสติต่างหากพระเจลาบไปเลยละ่ะถอนลากมนเลยนะเพราะนั้นเน่ลัดที่สุดแล้วการปฏิบัติย่อที่สุดแล้วตรงที่สุดแล้วปฏิบัติตงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรเนี่ยขอท่าถอยเป็นจริงอย่างนี้คาสอนพระพุทธเจ้า ไม่ต้องไปเนิ่นช้าเสียเวลาทำอะไรสติมันก็อยู่กับเราอยู่รู้อะไรสมบัติของสติเอามาใช้ได้หมดกายกิตใจนี่ยเอามาเป็นวัดสดุอุปกรณ์ผิดความรู้สึกตัวอย่าไปใช้ให้เกิดความหลงเราก็ได้ฝึกหัดมากำลังหมอพยาบาลคุณครูทั้งหลายอาจารย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้สัมผัส ด, ดูอย่าให้จบลงสำหรับวันนี้ ก็ทำไปเรื่อยๆประกอบไปเรื่อยๆการทำงานนี่มันก็เอียงไปไหลไปสู่มากสู่ผลได้ไม่ใช่ว่าเออทำเจ็ดวันไม่รู้อะไรไม่ใช่แบบนั้นการกระทำของเราวันนี้มันก็มีประโยชน์เมื่อเราทิ้งสอบซายใส่ล้ามที่มันไหลเขี่ยวหน้า ม, มันลึกหน้า ม, มันลึกนะเราทิ้งก็สอบท้ายลงไปสอบหนึ่งหายไม่ไม่เห็นหรอก สอบที่สองเที่งลงไปสอบที่สามที่ยงลงไปที่ยงลงไปเที่งลงไ ป, งงไปแต่ว่าการขยันที่ยงสอบสายนี่สําคัญนะแต่ทิ่งลงไปไม่เห็นอะไรแล้วไม่ใช่กับสอบสายก็สอบตึ่งที่ที่ยงลงไปไปนอนอยู่ใต้ก้นห้วยมันก็ทําหน้าที่ของมันมันก็ทําหน้าที่ของมันแต่เราขยันที่ยงลงไปขยันที่ยงลงไปขยันที่เอาไวปมากก็เต็มขึ้นมาปฏิบัติไปบัต เต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาบุญแปลว่าเต็มขึ้นมามันเต็มขึ้นมาว่าเราขยันเท่งขยันลู่เนี่ยขยันลู่ไปมาลู่ขยันลู่ความลู่ไปไปอ้มันก็สัมผัสได้ลู่เอาลู่เอาลู่เอ้าการขยันลู่เรียกว่าภาวนาวิชาสุดยอดของการทําบุญขยันลู่เนี่ยเป็นเป็นการสุดยอดของการทําบุญทานศีลภาวนา การก็จยากให้มันจบพอทำไปเรื่อยๆ เ, เพิ่มเติมกับการใช้ชีวิตของเราไปนะอ๋อนะนะวันนี้ก็พอสมควรใจเวลานะขอหยุ